ไม่ได้ให้มันรั่วความลั่วก็คือความคิดความฝันต่างๆมันไม่มีประโยชน์เราเตืีนผู้วมาเกลมาเกลเราใช่มันแล้วให้มันเป็นประโยชน์ใช้คําพูดใช้ความคิดใช้การกระทําอยจะให้มันฟรี ใช่การกระทาใช้ความคิดใช่คาพูดที่เป็นประโยชน์ใช่การกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติใช่ความคิดจะให้ความคิดมันใช่เราจะให้การกระทามันใช่เราอย่าให้คาพูดมันใช่เราเราใช่มันนี่มันก็เราใช่ไปผ้านั่นแ่ละใช่เพื่อให้เกิดแสงสว่างมาทาวัดอยู่ใน ปัติอยู่ในที่เดิ น, นเราไม่ไปฉายเปิดตะพืดนตะพื้นผมก็ไม่ได้เราใช้เพื่อเดินทางสองดูให้สาเร็จประโยชน์นี่คือตัวปฏิบัติเรานอนหลับมันก็มันก็เราปิดไว้เราตื่นขึ้นมามื่อเราเปิดใช้เราคิดว่ามันมีนม มันมีธาตุั้งหกธาตุตัทธีธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ำเตโชธาตุคือธาตุไฟวาโยธาตุคือธาตุลมอากาศธาตุคือช่องว่างในกายวิญญาณธาตุคือความรู้อะไรหได้เป็นธาตุชนิดหนึ่งความรู้สึกคือคนยังไม่ตายพอนอนหลับมันก็มันก็ด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 ความโลกความทุกข์คือความชดชดชดหรือไงฮะไฟฟ้าชดหรือว่าชดอะไรฮะเศรษฐกิจไฟไฟชดหรือไฟอะไรชดหรือชดชดเหรอแต่วันชดมันก็ใช่ไม่ได้ฮะแล้วก็ใช่ไม่ได้ยังไม่พอก็สิ้นดงพลังงานเนี่ย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 เป็ญาณที่เลือก <c oughs> อาสวัคคายายนรู้จับทําให้สิ้นไปุอเพ น, นิวานุสานสติญาณรู้จับญาณที่แต่เก่าแต่ก่อนมันต่างกันกันกบเดี๋ยวนี้จะให้ไปอยู่มันก่อนุอเพเนี่ยคือก่อนก่อนนั้นต่างเก่ากับก่อนนี้กับเดี๋ยวนี้แต่กี้กเดี๋ยวนี้มันต่างกันวิตีใจความรู้สึกคิดนึกมันต่างกัน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 เราจะพูดคุาสนาครองนี่เรื่าสพิธีนั่นก็เป็นอย่างก์มาจำไเป็าเที่ยวเ่อยอาาสพิธีสอนนารประชุมที่ไหนที่ไหนมาสอนแต่ตัวปฏิบัติศาสนาธรรมเนี่ยมันเป็นสากลศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลศาสนาพิธี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 แต่ลาเป็นคนดีกลายเป็นแม่จะไม่ได้เกี่ยวกับตระกูลไม่ได้เกี่ยวกับลัทธิมีตายไม่ได้เกี่ยวกับพิธีลีตองเพราะการกระทําที่ถูกต้องทําให้เกิดอย่างนี้นเป็นไปเพื่อความตับทุกเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพปื่อปณิิพานความไม่มีภัยความหมดพิษหมดภัยตัวปฏิบัติคือตัวนี้แล้วก็ <c oughs>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 ว่าตัวปฏิบัติไม่มีนเทศไม่มีอุเทศไม่มีปฏินิเทศเข้าไปถึงเรือการอธิบายเนื้อเหตุนเนื้อผลเพ่จะ <c oughs> เอากายเป็นที่ตั้งเรียกว่ า, าปรมัถสภาวธรรมยกกายลูก จิตเกิสิทิ์นิพพานเข้าไปในอะไเรียกว่าปรมัตูมิเอาลูกเนี่ยเอากายนี่เป็นลูกเกิสิทก็คือจิตมรรคผลนิพพานเข้าไปในมันก็อยู่ที่กายที่ใจมรรคผลนิพพานเราติศึกษาเข้าไปถ้าสมมุติหรือว่าชาปุกราติฐาน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 ภายในก็มีอยู่ในสูตรในกายในจิตของเรานี่ยหาพิธรรมก็ในเรื่องกายเรื่องจิตของเราในสติเนี่ยเอาสูตรตัวสติก็เป็นสูตรสูตรมใสกเป็นสูตรที่เป็นโอสถเาสติในเป็นสูตรสูตรสติปัฏฐานสูตร เอามาใส่กายเนี่ยกายลูกตัวเนี้เพราะสติอยูกับกายมันก็เกิดอะไรขึ้นกนะ็เป็นศีนนเลเตรชนนะ์เป็นสูตรม้องกิตตมรายาเอาอตอน้นเปลญำดำฝนใสยน้ำมะนาวเอาคุณขุนเอาไป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 คืนขาบมันกัดลองให้เอาโอมมาแล้วก็สองไปไปขุดออกพยาลากดำผลชะน่นมามนาวเขาปิดบาดแผลมล่องกันโอ้มันปว ด, ดมันปว ด, ดหายแล้วหายแล้ ว, ลวไม่ยังเไม่ยังเ่ะเอาห้ใส่มันเอาใส่ดูเอาใส่เออเออนี่แหละ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 บ้าน่าบ้านอะไรเรืพระเจ้าเดินผ่านทางผ่านทางผ่านของนักศรษฐานะเรียกว่าอะไรจำไมมไ่้พ้่เจ้าไม่ให้เชื่อเขาถามอ้ อ, อาจารย์เขาเล่นมาสมศรีวเวลตบุตรอธิการกัมพล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 บุคนนี้คนเชื่ออย่าเชื่อเพราะเหตุผลอย่าเชื่อเพราะขกัจจิติสยอย่าเชื่อเพราะมีเหตุไม่ลอะไรพุทธเจ้าว่าไปเลยอพุท้ามเชื่อเลยแต่พุทธเจ้าอย่าไปเชื่อเอาไปทาดูโอรอดเลยอดไปเลยไม่เชื่อไม่เชื่อมไม่เชื่อธรรมทำดูอ้กยสิทธิหลวงพ่อเทียมหลวงเทีงที่สุดไม่ใช่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 เราว่ายากอือความายากกับเขาเขาวอาทุกข์เขไม่ทุกกับเขาก็ทําไปชิมหนึ่งเอนทําไปชิมหนึงเอนได้ปลีน่นวิเลกได้ซึยย่งสิ่งเดียไม่ใช่ตัวเองทีออง่อยู่กับคนนี้โอ้ยอยู่กับคนนั้นดิอย่าไปอันนั้นมันเลือกไม่ได้เพราะว่ามันปรากฏการปรากการสีใบ้ลเราต้องยึดสังขารการปลรงแต่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 ปิดมันมันคิดปิดมันมันจะมีอะไรที่มันสุกมันทุกปิดมันไม่ใช่เราไม่ได้จําเป็นไม่จําเป็นต้องมีสุกไม่จำเป็นต้องมีทุกไม่จําเป็นต้อ ง, งไปคิดโกรธคิดลอกคิดซ่งไม่จําเป็นปิดเนี่ยเรามีตัวเนีตญญ่ตัวปัญญาตัวปัญญาตัวนี่ข่มค่มชีวิตเราเวลางนู่นกันนู่นด <c oughs> ูหาเรื่องอะไรมาคิดปิด รูนเต้นขึ้นมาครึ่งคืนเพียงคืนแล้ก็ดูตัวเองแล้วมันนอนอยู่หลัก็รกดีดูมันยิ่มนอยิมยูดูเบาบาบออมันจะหลับอีกอ็ล้ปิดแล้วแลวมันปิดมันจะไปไห น, มนไม่ได้เช่อมันก็นอยู่เข้าสู่เข้าสู่ความปกติชีวิตที่เข้าสู่ความปกติเข้าสู่ธรรมชาติ คืนสูธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยกฉยๆมันไม่หลับก็ไม่เป็นไรลุกไปเลยใช่กันเลยไม่ได้สิ้นเฟลืองอะไรนะในตัวปัญญาครุมเป็นตัวครุมคลุมเกมของชีวิต ท, ทั้งหมดเลยมันเป็นความถูกต้องตัวปัญญามันก็อยู่ในสิ้นในเธอสมาธินี่แหละ กลุ่มนี่แหละกลุ่มกลุ่มควบคุมจะเป็นหน่วยแพทย์ควบคุมโรคติดต่อคณะอะไรไม่รู้รรกองควบคุมโรคติดต่อไปยไปเทศที่มาอะไรกันเจ็บเ <c oughs> ขาก็รับผิดชอบมากกว่าอันนั้นเอาพวกเราก็ ฝังไปปฏิบัติทำไปไปมัอ่ะอันนี้ก็พอละกราบพระพ้อไปอะรหังสมะัมโมโตนะปะปังภะคะวันตังอะิวาเจคต สุปฏิปันโนภพวัฏโสร้างะสนางังน